พันตรีพี่บุญสงครามพันตรีพี่บุญสงครามยกเป็นนามชาติไทยเกียรติศักด์อันสูงสุดอย่าลืมบรร พ, พบุรุษของไทยพันตรีพี่บุญสงครามเสียงร้องเพลงเจ้าเจ้าดังมาจากประตูรัว้วคนอายุแปดสิบสกำลังได้ย่าอยู่ในสวนหลังบ้านจึงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองประมาณเจ็ดนาฬิกาของทุกวัน ล้านชายจะหาบสาแรดเปล่ากลับมาบ้านหลังจากขายของหมดหากเดินร้องเพลงเข้ามาแปลว่าวันนั้นขายดีวันไหนขายไม่ดีก็จะไม่มีเสียงเพลงจากเขานอกจากเพลงพันตรีพิบุญสงครามแล้วอีกเพลงหนึ่งที่ใหญ่ได้ยินเขาร้องเป็นประจำคือเพลงธงไตรรงโดยเฉพาะเนื้อร้องที่ว่าสีแดงคือชาติ สีขาวคือพระศาสนาสีน้ำเงินนั้นหนาคือพระมหาจักระพงนั้นยายชอบนะักชอบหนาะฟังแล้วเกิดความรู้สึกภาพภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยซึ่งเป็นชาติอิสระไม่ขึ้นกับใครมีพระศาสนาเป็นเครื่องนำทางชีวิตและมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่รวมแห่งความจงรักภักดีของคนในชาติ ยายกินข้าวกันเถอะหลานชายตะโกนสิงแหลมด้วยหิวข้าวและแม้จะหิวเพียงใดก็ต้องกลับมากินที่บ้านเพราะยายสั่งว่าอย่าไปซื้อข้าวกินนั่หลานเสดายสตังข้าวบ้านเรามีเยอะแยะเองขึ้นไปจัดสำรับก่อนสิเสร็จแล้วคอยเรียกยายอย่าลืมล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเสก่อนละ่ะ ยายบงการเมื่อหลานชายต้องไปขายของแต่ดึกแต่เดินเช่นนี้หน้าที่การหุงหาอาหารจึงตกเป็นของยายแล้วยายขึ้นมาเร็วๆนะครับผมหิวจนตาลายแล้วหนุ่มน้อยรู้ดีว่าที่ยายไม่มาในทันทีเพราะไม่ต้องการเสียเวลามานั่งคอยกว่าเขาจะจัดสำรับเสร็จยายก็ได้ย่าไปได้อีกสอกหรือสองสอกทุกเวลานาที มีค่าสำหรับยายเสมอยายผมทำงานใช้หนี้ยายมากี่วันแล้วครับหลานชายถามขณะส่งจานสังกสีบรรจุข้าวสวยให้ยายเขาหาบของไปขายได้10บวันแล้วแต่ถ้ายายจำไม่ได้เขาก็จะบอกว่าส2องวันซึ่งแปลว่าได้ใช้หนี้ยายไปหนึ่งบาทกับ20สตางค์หนี้ค่าชีวิตไอต้โต้ง วันกระมังยายแกล้งจำไม่ได้ด้วยหมายจะทดสอบความซื่อตรงของคนเป็นหลานมือข้างที่กำลังจะเปิบข้าวเข้าปากชะงักลงปากเทียงว่า12บสองวันต่างหากรู้สึกดีใจที่ยายจำไม่ได้ไอ้หนูเอง่งโกงยายสองวันชูนะไม่มากไปหน่อยหรือหลานคนอายุ8ปดสี่พูด ขณะจุ่มมือลงในกละมังที่ใส่น้ำสำหรับชุบมือเวลารับประทานอาหารผมเปล่าโกงแต่ผมจดของผมไว้ยายนั่นแหละขี้โกงขี้โกงและขี้ลืมเขาถือโอกาสใส่ความคนเป็นยายยายไม่ลืมหรอกไอ้หนูเรื่องอย่างนี้ยายไม่มีวันลืมยายพูดหลังจากกลืนข้าวลงคอแล้ว แต่ยายอายุตั้ง84แล้วนะครับคนวัยนี้มักขี้หลงขี้ลืมหลานชายพูดทั้งที่ข้าวเต็มปากไอ้หนูยายสอนกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเวลาข้าวอยู่ในปากห้ามพูดแลวเวลากินข้าวก็อย่าเอานิสัยหลิงมาใช้คนเป็นยายถือโอกาสอบรมมารยาท ให้คนเป็นหลานเอานี้สายลิงมาใช้ยังไงครับหนุ่มน้อยไม่เข้าใจก็อมเช็ดตนแก้มตุยทั้งสองข้างเลยนะสิที่ลิงต้องทำอย่างนั้นเพราะมันกลัวจะถูกแย่งแต่นี่เองไม่จำเป็นต้องเอาอย่างลิงไม่มีใครแย่งเองหรอกค่อยๆกินก็ได้ ต้องฝึกไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในวันข้างหน้าถ้าเองไปบวชเป็นพระขืนไปทำอย่างนี้ก็ผิดวินัยแย่พระพุทธเจา้าทันสอนละเอียดนะไอหนูเริ่มตั้งแต่มารยาทในการขบฉันกระทั่งถึงการขับถ่ายของเสียยายไม่เคยบวช แถมยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วยายรู้ได้ยังไงหลานชายถามแกมเยอยหยันความรู้ไม่ได้อยู่ที่ตำราเท่านั้นนะหลานการสะดับรับฟังจากผู้ที่ทรงความรู้ก็ทำให้เกิดปัญญาได้จริงอยู่ที่เอ็งว่ายายไม่เคยบทแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออก แต่ยหายรู้เพราะพระทันสอนหลวงพ่อช้างอีกละสิเอาเถอะจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ท่านสอนกดจำเอาไว้โดยเฉพาะหลวงพ่อช้างท่านเป็นพระที่เคร่งวินัยมากแถมเก่งทั้งด่านบริยัตและปฏิบัติเมื่อเองบวช ก็ขอให้เก่งอย่างท่านนะไอ้หนูยายคาดหวังรับรองผมจะให้เก่งกว่าท่านสักร้อยเท่ายายคอยดูไปก็แล้วกันหนุ่มน้อยโวคนดีเขาไม่พูดยกตนข่มทันหรอกนะหลานแต่เขาจะอ่อนน้อมทอมตนยายขัดเสียงเรียบด้วยไม่ชอบให้หลานคุยโวโอ้อวด โอ๊ยผมชักรำคาญแล้วนะอะไรก็สอนอะไรก็สอนอะไรก็สอนจนผมเบื่อฟังจะแย่อยู่แล้วอยู่โรงเรียนครูก็สอนกลับบ้านก็มาเจอยายสอนอีกนุ่มน้อยพูดอย่างราคาญผ่านกินข้าวกินปลาไม่ลงเอาดื้ อ, อขนาดสอนจนปากเปียกปากแฉะเองก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มันมากไปนี่ครับยาย เลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่หลงเหลือไว้ในสมองเลยหลานชายเถียงไปข้างๆคู่ต่อไปเวลายายหรือครูสอนเองก็เอามืออุดหูไว้ข้างหนึ่งก่อนแล้วกันจะได้ไม่ทะลุออกไปยายแนะนำครั้นเห็นหลานอิ่มข้าวจึงท้วงว่าอะไรกันทำไมถึงอิ่มเร็วนะัก จะกินลงยังไงล่ะกินข้าวผสมเสียงบ่นของยายนะมันอร่อยนะหรือลองยายมาเป็นผมบ้างแล้วจะรู้หลานชายกระเงากระงอดไอ้หนูเอย้ยเอง็งโชคดีนะที่มียายคอยอบรมบ่มนิสัยอย่างนี้เอาเถอะวันนี้เอ็งอาจจะรู้สึกํำคาญว่ายายจูจีขี่บน่นแต่วันข้างหน้า เองจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อเองอย่างมหาสารเทียวละ่ะจำคำยายเอาไว้เมื่อเห็นหลานอิ่มยายพลอยกินไม่ลงไปด้วยจึงล้างมือและหยิบก้อนข้าวที่เหลือคืนลงในหม้อดินเหมือนที่หลานชายทำอย่าลืมห่อข่าวไปกินโรงเรียนล่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาครับไม่ลืมหรอก ยายบอกผมอยู่ทุกวันผมจะลืมได้ยังไงหนุ่มวัยส6หประชดเขาจัดการคดข้าวใส่ใบตองพร้อมปลาทูทอดกับปูเค็มอย่างละหนึ่งตัวบางวันก็มีไข่ต้มกับน้ำพริกมะขามบางวันยายจะปิ้งปลาเกลือให้ไปเพื่อนๆ เ, เขามีแกงหมูแกงไก่ไปกินร่วมวงกันส่วนตัวเขาอับอายไม่กล้าไปร่วมวงกับใคร ต้องแอบไปกินคนเดียวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ได้อาศัยน้ำในแม่น้ำนั้นดื่มและล้างมือล้างปากเรื่องที่จะซื้อเข้ากินนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่เพราะเขาจนกว่าคนอื่นแต่เพราะเขามียายตระหนี่เหนียวแน่นที่สุดในตำบลนั่นต่างหากตกลงผมทำงานใช้หนี้ยายมาสิบสองวันแล้วนะครับหนูน้อยยังไม่ลืมเรื่องหนี้สิน สิบวันไอ้หนูเอ็งอย่ากโกงยายคนอายุเจ็ดรอบแยงผมไม่ได้โกงแต่ผมจดไว้จริงๆถ้าผมโกหกยายแล้วก็ขอให้ผมถูกฟ้าผ่าตายเด็กหนุ่มสาบานอย่าไอ้หนูอย่าสาบานยายรีบห้ามพร้อมบกไม้บกมือเล่นกับใครไม่เล่นยายจะบอกให้นะ สมัยที่ใหยายางสาวมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายมาเฟืองแก่โกหกเป็นไฟเลยแล้วก็ชอบสาบานขอให้ถูกฟ้าผ่าตายแต่เวลาที่ฝนตกแก่จะลงไปแอบอยู่ในตุ่มน้ำเพราะกลัวฟ้าผ่าอยู่มาวันหนึง่งแกคงจะถึงขราวตาย หรือใหม่ก็เป็นเพราะฟ้าทันรำคาญพ่อแก่กล่าวคำสาบานเสร็จพายุฝนก็มาเลยทั้งทั้งที่เป็นหน้าหนาวแกกลัวจนตัวสัน่นรีบวิ่งไปซ่อนในตุ่มน้ำไอ้หนูเอ็งเจือไหมฟ้าผ่าเปลี่ยงลงมาที่ตรงมตัวแกดำเป็นตอตะโกตายขาที่ ทั้งทั้งที่ต่มใหม่แตกนี่ผัวแกเล่าให้ยายฟังนะเขาก็เอาศพไปไว้วัดสวดเจ็ดวันก่อเผาวันเผาก็เกิดพายุฝนอกีกฟ้าผ่าเปลี่ยงลงมาบนเชิงตะกอนที่ลงศพของแกตัางอยู่รุ่งเช้าเข้ามาเก็บกระดูกเอาใส่โกศดไปไว้บ้าน ฟ้ากบผาลงมาที่โกดอีกตกลงใหญ่มาเฟืองถูกฟ้าผาถึงสามครั้งสามคราด้วยกันขนาดตายไปแล้วฟ้าทันยังตามมาลงโทษยายเล่าแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจแกมวันวาดไม่มีเลยสักคน ท่านคงจะตั้งใจลงโทษยายมาเฟืองคนเดียวมันก็แปลกนะไอ้หนูเวรกรรมมีจริงอย่างไม่ต้องสงสัยคนอายุเจ็ดรอบสรุปยายไม่สงสัยแต่ผมสงสัยนี่นาเอาเถอะถ้ายายว่าสิบวันก็สิบวันผมยอมให้ยายโกงไปสองวันเขาแข็งใจพูดด้วยกลัวจะเป็นอย่างยายมาเฟือง อย่ามาทำเป็นไก่หน่อยเลยนะเอ็งกลัวฟ้าผ่าตายก็บอกมาตามตรงเธอยายรู้เท่าทันจนได้หลานชายไปโรงเรียนแล้วยายจึงจัดการขุนข้าวนางดำกับนางด่างจากนั้นจึงหาบสาแหกคู่ทีพใส่ผลไม้ไปขายตามปกติ ตั้งแต่ล้านชายหาบผักสูนครูไปขายอย่างตลาดบางขามยายก็มีหน้าที่ขายเฉพาะผลไม้วันไหนเป็นวันโกนเมื่อขายของหมดก็จะซื้อข้าวของมาเตรียมไปทำบุญในวันรุ่งขึ้นและนอนค้างที่วัดเช่นเคยแม้จะล่วงการผ่านวัยมาถึง84หน้าฝนแต่ยายยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงกว่าคนในวัยเดียวกัน ซึ่งบางคนช่วยตัวเองไม่ได้แล้วซึ่งเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำหรือแม้กระทั่งคอยเช็ดปัดสสาวะอุจจาระให้ยายคิดว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคงเป็นเพราะได้สะสมบุญเก่าไว้มากจึงทำให้สุขภาพดีมีโรคน้อยไม่ค่อยเจ็บป่วยเช่นใครเขายายตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า วันใดที่ช่วยตัวเองไม่ได้ขอให้วันนั้นจงเป็นวันสุดท้ายของชีวิตขออย่าให้ต้องเบียดเบียนลูกหลานด้วยการให้เข้ามาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเฉกเช่นคนอื่นๆเลยสายมากแล้วยังไม่เห็นหลานชายกลับจากขายของอยายเริ่มกังวลด้วยเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานรักเฝ้าชะเง้อชะแง มองไปที่ประตูรั้วบ้านหลายครั้งก็ยังไม่เห็นแม้เงาของหนุ่มน้อยแต่ว่าขายไม่ดีก็คงไม่ใช่เพราะตั้งแต่ให้ตะกรุดของสมเด็จโตไปก็ขายดิบขายดีหมดก่อนคนอื่นทุกวันยาย่ครุ่นคิดหรือว่าถูกปล้นเดี๋ยวนี้โจรผู้ร้ายชุก ชุมกว่าแต่ก่อนพวกชาวบ้านถูกปล้นวัวปล้นควายไม่เว้นแต่ละวันแม้จะรู้สึกหิวข้าวแต่ความเป็นห่วงหลานทำให้ไม่นึกอยากกินเราจะออกตามหาหรือว่าจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านดีน้ะยายคิดละล้า ล, ละลังครั้นมองไปเห็นหลานชายหาบสาแหกเดินโซซัดโซเซเข้าประตูรั้วมา ก็ทิ้งจอบและเดินเข้าไปหาหลานไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดท่วมตัวอย่างนี้ใครมันทำร้ายเองบอกมาซิยายจะตามไปฆ่ามันคนอายุแปดสิบสี่พูดเพราะความรักหลานยายนะหรือจะฆ่าคนแค่ยุงตัวเดียวยายยังไม่เคยฆ่าเออนะถึงจะไม่เคยข่ายุงก็ก้าคนได้ ถ้าคนคนนั้นมันทำร้ายหลานยายยายไม่กรัวตกนรกหรือครับผู้เป็นหลานเยารู้สึกหายเหนื่อยเป็นติดทิง้งเพราะความซาบซึ้งในความรักที่ยายมีต่อเขาเออจริงของเองถ้ายายไปข่าเขายายก็ต้องตกนรกเขาทำบาปต้องตกนรกอยู่แล้วถ้ายายไปข่าเขาก็ต้องพลอยตกนรกไปด้วย แต่อย่างนั้นยายไม่ขาดีกว่านะไอหนูนะถึงยายจะรักเองมากเพียงใดแต่ยายก็ยังกลัวตกนรกว่าแต่ว่าเองไปทำอะไรมาเสือแสงมือไม้ถึงได้เปื่อนเลือดกระกลังอย่างนี้ยายถามหาสาเหตุผมไปเป็นหมอตําแยเอาลูกออกให้เข้ามาน่ะสิครับหนุ่มน้อยตอบ ยังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆใครเขอับจนถึงขนาดมาจ้างเองเชหรือยายว่าคนคนนั้นถ้าไม่บ้าก็คงเมาหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างยายประมาทด้วยไม่เชื่อว่าหลานจะทำได้เขาไม่บ้าไม่เมาหรอกยายแล้วเขาก็ไม่ได้จ้างผมด้วยมันเป็นความบังเอิญ น, นะครับ เขากำลังเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านแม่เขาแต่เกิดปวดท้องกลางทางผมก็เลยต้องช่วยยายลงท้ายสิว่าเขาเป็นใครผมบอกใบให้ก็ได้ว่าเป็นคนในตําบลบางม่วงหมู น, นี่แหละหนุ่มน้อยชี้แจงแถมท้ายด้วยคําถามยายจะไปรู้ได้ยังไงคนตําบล น, นี้มีต่างหลายร้อยใช่ว่ายายจะรู้จักเข้าไปหมดทุกคนแต่คนตําบลบางม่วงหมู่ เขารู้จักยายกันทั้งนั้นเพราะยายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลแล้วฝีมือทํำข้าวต้มหัวงอกของยายก็หาตัวจับยากแต่การที่ทุกคนเขารู้จักยายก็ไม่ได้แปลว่ายายจะต้องรู้จักทุกคนนี่นะไอ้หนูเอ็งจะบอกก็รีบบอกอย่ามัวพูดเยินเย้อให้เสียเวลาเราหนี่ไม่ไปโรงเรียนหรือ สายป่านนี้แล้วยายห่วงเรื่องเรียนจะไปยังไงล่ะยายเดี๋ยวได้ถูกครูตีอีกใครไปสายครูเขาจะเคียนหน้าแถวตอนเคารพธงชาติหลานชายบอกใครเขาจะมัวมาเข่าแถวรอเคียนเองอยู่เล่าไอ้หนูป่านนี้เขาเข่าห้องเรียนกันหมดแล้วเขาไม่เคียนวันนี้แต่จะเคียนวันพรุ่งนี้ สู้ขาดไปเลยดีกว่าพรุ่งนี้ผมจะเขียนใบลาแล้วจับมือยายลงชื่อรับรองนะยายนะความกลัวว่าหลานจะถูกเคี้ยนยายจึงจำใจรับปากถ้าเช่นนั้นก็ไปล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียก่อนเสร็จแล้วก็กินข่าวเช้ากันให้อิ่มน้ำสำราญแล้วค่อยเล่าเรื่องหมอตําแย ยายหิวจนตาลายแล้วดีเหมือนกันผมเองก็หิวทั้งหิวทั้งเหนื่อยหนุ่มน้อยยอมตามถ้าขืนเล่าตอนนี้ยายจะต้องกินข้าวไม่ลงเพราะความเป็นห่วงล้านสาวก็ผู้หญิงที่เขาทำคลอดให้นั้นเป็นลูกสาวคนโตของป้าจิตและป้าจิตก็เป็นลูกสาวคนที่สามของยายอิ่นข้าวแล้วยายคงจะชวนเข้าไปเยี่ยม กลับจากเยี่ยมลูกสาวของป้า จ, จิตเขาก็จะขออนุญาตยายไปเยี่ยมมารดาได้เห็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของผู้หญิงตอนคลอดลูกแล้วทำให้เขาเห็นอกเห็นใจทุกคนที่เป็นแม่ยายเคยพูดเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าการออกลูกก็เหมือนกับการออกรบถ้าโชคดีก็รอดชีวิตกลับมาได้แต่ถ้าโชคร้ายก็ตายในสนามรบ หนุ่มน้อยเพิ่งจัดตระหนักชัดว่าแม่จวนมารดาของเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญที่สุดในโลกเพราะเคยออกศึกมาถึงสิบครั้งเพราะเคยออกศึกมาถึงสิบครั้ง